เจ็ดปาธุ ก, กาวักหมวดว่าด้วยเขียงเท้าสิกขาบทที่หนึ่งเรื่องพระชพปวี638สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสุชพ ป, ปคีแสดงทรรแก่คนผู้สวมเขียงเท้าพระบัญญัติหนึ่ง พิงทำความสำเนียกว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้สวมเขียงเท้าเรื่องพระชพบกีจบสิกขาบทวิพันธ์ภิกษุไม่พึงแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้สวมเขียงเท้าภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อสแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้เหยียบเขียงเท้าสวมเขียงเท้าหรือสวมเขียงเท้าหุ้มส้นต้องอบัตทุปกดอานาปฏิวานภิกษุต่อบไปนี้ไม่ต้องอบัติคือ